ด้วยรักบรรดา น, นิทานสีขาวนะคะกับเรื่องต้นไม้ดอกสีทองและแพะอัปปลัก์ชายชาวสวนคนหนึ่งมีอาชีพปลูกดอกไม้ประดับขายวันหนึ่งชาวสวนผู้นี้สังเกตเห็นแสงกระพริบมาจากต้นไม้ต้นหนึ่งที่เขาเพาะไว้ในกระถาง จึงเดินเข้าไปดูแล้วก็ต้องร้องด้วยความประหลาดใจเมื่อพบว่าต้นไม้ที่อยู่ในกระถางนั้นออกดอกเป็นสีทองอารามสวยงามยิ่งนักหลังจากนิ่งคิดด้วยความตกตะลึงอยู่พักใหญ่ชายชาวสวนก็คิดได้ว่าบางทีต้นไม้ต้นนี้อาจจะกลายพันธุ์จึงทำให้ออกดอกเป็นสีทองผิดจากต้นไม้ต้นอื่นซึ่งเป็นพันธุ์เดียวกันดีแล้ว ชายชาวสวนร้องเพราะคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เราจะเอาต้นไม้ดอกสีทองนี้ไปมอบให้เจ้าเมืองของเราในฐานะที่ท่านเป็นคนดีและดูแลชาวสวนอย่างเราด้วยดีมาโดยตลอดและเมื่อท่านได้เห็นต้นไม้ต้นนี้ท่านก็จะยิ่งพอใจหากสวนดอกไม้ของเรามีปัญหาอันใดาภายหลังเราจะได้เข้าไปคุยกับท่านได้สะดวกยิ่งขึ้นว่าแล้ว ชายชาวสวนก็จัดแจงแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและยกกระถางต้นไม้ดอกสีทองขึ้นวางบนศีรษะก่อนจะเดินออกจากบ้านไปอย่างอารมณ์ดีระหว่างทางไปบ้านท่านเจ้าเมืองนั้นชายชาวสวนได้พบเพื่อนบ้านคนหนึ่งเดินแบกลูกแพะไว้บนหลังผ่านมาพอดีจึงหยุดพูดคุยกันเพื่อนบ้านถามขึ้นก่อนว่า นันท่านจะเอาต้นไม้ไปไหนและเหตุใดต้องทูลไว้บนศีศรษะชายชาวสวนตอบว่าอ้อพอดีต้นไม้ต้นนี้ออกดอกงามเหลือหลายข้าจึงจะนำไปให้ท่านเจ้าเมืองที่ต้องทูลไว้ก็เพราะเป็นของขวัญมีค่าจะให้อุ้มหรือลากไปก็เกงว่าจะไม่เหมาะสมแล้วชายชาวสวนก็ถามเพื่อนบ้านกลับว่าแล้วท่านจะไปไหน เหตุใดต้องแบกลูกแพะไว้บนหลังด้วยเล่าใหญ่ไม่ให้มันเดินเองเพื่อนบ้านตอบว่าข้าไปเยี่ยมแม่มาแม่ข้าก็เลยให้ลูกแพะหน้าตาอับปรลักษ์ตัวนี้แก่ข้าเพราะหน้าตามันแปลกพอพวกเด็กๆเห็นก็จะเอาก้อนหินขว้างใส่มันข้าสงสารก็เลยต้องแบกมันไว้อย่างนี้จนกว่าจะถึงบ้านชายชาวสวนมองหน้าลูกแพะ ก็เห็นว่าหน้าตาของมันอับประลักเอาเรื่องอยู่จากนั้นทั้งสองคนก็ชวนคุยกันเรื่องสัพเพเหระอยู่เป็นเวลานานโดยไม่วางกระถางต้นไม้ที่ทูลอยู่บนศรีรษะและแพะที่แบกอยู่บนหลังลงแต่อย่างใดเมื่อหมดเรื่องคุยแล้วทั้งสองจึงกล่าวลาและแยกย้ายกันไปคนละทิศทางชายชาวสวนมุ่งหน้าไปยังบ้านของท่านเจ้าเมืองโดยไม่แวะที่ใดอีก ขันมาถึงหน้าบ้านได้พบคนเฝ้าประตูจึงแจ้งความประสงค์ไปว่าข้ามาพบท่านเจ้าเมืองเพื่อมอบต้นไม้ที่ออกดอกสีทองแก่ท่านคนเฝ้าประตูซึ่งเป็นชายชะกันสองคนมองหน้ากันแล้วหัวเราะ อ, อย่างขบขันเฮ hey, ดูให้ดีๆจะก่อนเจ้าคนเฝ้าประตูคนหนึ่งพูดขึ้นดอกไม้สีทองอะไรที่ไหนข้าไม่เห็นจะมี มีแต่ต้นไม้โกลนโกลนต้นหนึ่งอยู่บนหัวของเจ้าเท่านั้นชายชาวสวนฟังแล้วตกใจมากรีบยกกระถางต้นไม้ลงมาดูและพบว่าเป็นไปตามที่คนเฝ้าประตูพูดเอาไว้จริงๆต้นไม้ของเขาเหลือเพียงกิ่งและก้านสีน้ำตาลธรรมดาธรรมดาไม่มีดอกไม้สีทองหรือแม้กระทั่งใบไม้สักใบหลงเหลืออยู่เลยแย่แล้วต้องเป็นตอนที่เราหยุดคุยกับเพื่อนบ้านของเราแน่ๆ เพราะไม่ทันระวังเจ้าแพ้อัปลักษ์ก็เลยกินดอกไม้สีทองจากต้นไม้ของเราจนหมกโธเอ๋ยไม่น่าหยุดคุยนานเลยเราชายชาวสวนรู้สึกเศร้าใจมากที่ไม่ได้พกท่านเจ้าเมืองและมอบของให้ท่านตามที่ตั้งใจแต่จะให้ทำอย่างไรได้นอกจากจะนากระถางต้นไม้ที่ไม่มีใบไม่มีดอกเดินกลับบ้านไปด้วยความผิดหวัง เธอทั้งหลายเรื่องนี้มีในยิ่งใหญ่เกี่ยวกับการเดินทางในช่วงชีวิตของคนเราคือว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วและมีชีวิตที่ต้องดําเนินการเดินทางในเส้นทางแห่งชีวิตของเราก็จะเริ่มต้นทันทีระหว่างนั้นเราจะได้พบเจออะไรมากมายทั้งดีและไม่ดีถ้าพบเรื่องดีชีวิตของเธอก็จะมีแต่สิ่งดีๆผ่านเข้ามา แต่ถ้าหากเธอหยุดแวะและทักทายกับความไม่ดีชีวิตของเธอก็จะพบแต่เรื่องแย่ๆคงไม่ต้องบอกใช่ไหมว่าแย่แค่ไหนเพราะที่บางคนเจอนั้นแค่หลงผิดวูบเดียวก็ทำให้ทั้งชีวิตพังได้หมดแล้วการครบเพื่อนเป็นหนึ่งในเรื่องที่เธอต้องเจอในระหว่างการเดินทางไปตามเส้นทางสายชีวิตถ้าเธอได้พบเพื่อนดีๆ เพื่อนดีๆจะชี้เส้นทางไปสู่ความสุขซึ่งเป็นจุดหมายในชีวิตให้แก่เธอแต่ถ้าเธอคบเพื่อนที่ไม่ดีการเดินทางของเธอก็ขัดแหว่งหาจุดหมายในชีวิตไม่ได้สุดท้ายชีวิตของเธอก็จะเสียหายและไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันก็เหมือนกับลูกแพะอัปลักษณ์ในเรื่องนี้ที่กินดอกไม้สีทองของชาวสวนจนหมดต้น โดยที่เขาไม่ทันรู้ตัวนั่นแหละ